เรือคาราวาสกับนักบวชโดยปกติชาวพุทธทั่วไปมักจะถือว่าถ้าต้องการจะละกิเลสกันจริงๆแล้วก็ต้องไปบวชการอยู่เป็นคราวาสยากที่จะละกิเลสได้เพราะชีวิตของคราวาสต้องคลุกคลีอยู่กับกิเลสเสมอเหมือนกับคนที่เดินอยู่ในทางเกลี่นที่เต็มไปด้วยฝุ่นซึ่งเป็นการยากที่จะไม่ให้ตัวเปลอะเื่นไปด้วยฝุ่น แม้จะปัดเท่าไรเท่าไรก็ไม่รู้จักหมดด้วยเหตุนี้คาราวาที่รู้ตัวดีว่ากิเลสของตัวเองยังหนาละไม่ได้ก็มักจะปล่อยตัวไปตามอารมณ์ไม่สนใจต่อการปฏิบัติธรรมแต่ความเป็นจริงผู้ที่เป็นคาราวาทถ้ารู้จักดำเนินชีวิตให้ถูกทางแล้วก็มีโอกาสจะลากกิเลสได้ และบางทีอาจจะทําได้ดีกว่านักบวชเสด้วยซ้ําไปขอให้พยายามลองศึกษาข้อความต่อไปนี้อีกซึ่งเป็นเรื่องที่ขยายความมาจากวิธีคลายกามฉันทะแล้วท่านก็จะเห็นว่าคราวาตก็มีโอกาสจะละกิเลสได้จริงๆหรืออย่างน้อยก็บรรเทาให้น้อยลงได้ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นที่จะต้องทําเพราะถ้าคนไหนไม่คิดพยายามจะละกิเลสแล้ว อให้มีเงินหรือมีอำนาจสักเพียงไรก็ไม่มีทางที่จะพ้นจากความทุกข์ได้และชีวิตก็จะสมบูรณ์ไม่ได้สุภาสัญญาเป็นเหตุให้เกิดกามฉันทะเนคขมะเป็นเครื่องออกจากกามฉันทะการลากกามฉันทะไม่อาจจะทำได้ด้วยการใช้เหตุผลเพราะโดยธรรมดาเมื่อคนเราติดอยู่ในอะไร จะละสิ่งนั้นได้ก็ต่อเมื่อมีสิ่งชดเชยที่มีคุณค่าเหนือกว่าข้อความต่างๆเหล่านี้ขอให้พยายามจําไว้ให้มั่นท่องให้ขึ้นใจข้อความต่างๆเหล่านี้ข้าพเจ้าได้เคยอธิบายมาแล้วแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีอีกหลายแง่ที่ควรจะต้องย้ําและอธิบายเพิ่มเติ ม, ตมอีกไม่เช่นนั้น จะไม่สามารถนำเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้สุภาษัญญาหมายถึงการมองหรือการพิจารณาแต่ในแง่สวยงามหรือในแง่ดีแล้วก็จดจำเอาไว้แต่ในแง่ที่ตนพอใจนี่คือสาเหตุที่ทำให้เกิดการมาฉันทะขอให้สังเกตว่าสำหรับผู้ที่มีชีวิตเป็นคราวาตจะมีความก้าวหน้าในการศึกษาในการงาน จมีกำลังใจคิดสร้างตัวสร้างฐานะตลอดถึงคิดที่จะสร้างครอบครัวให้เป็นปึกแผ่นคิดจะทำประโยชน์แก่สังคมทำประโยชน์แก่ประเทศชาติทำประโยชน์แก่โลกทั้งหมดนี้ย่อมอาศัยแรงผลักดันที่สำคัญอยู่อย่างหนึ่งคือสุภาษณ์ ญ, ญาหรือกามฉันทะคนที่คิดจะละ ก, กามฉันทะนั้นอย่าลืมว่า จะต้องพยายามนึกถึงคุณประโยชน์ของกามฉันทะดังที่กล่าวมานี้ด้วยโดยที่สุดแม้ผู้ที่เป็นนักบวชซึ่งได้ตั้งใจแล้วและได้ลงมือปฏิบัติแล้วเพื่อที่จะละ ก, กามฉันทะก็จะต้องนึกถึงคุณประโยชน์ของกามาฉันทะด้วยไม่เช่นนั้นความกดดันเกี่ยวกับเรื่องนี้จะทำให้ตัวเองประพฤติปฏิบัติเกินขอบเขตที่จะเป็นไปได้ หรือไม่เช่นนั้นก็จะทําให้เกิดความคิดวิถีผิดปกติไปเรื่องเหล่านี้ควรจะพิจารณาดูให้ละเอียดเพราะคนส่วนมากที่หมดกําลังใจเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความท้อแท้ไม่อยากจะทํางานถ้าจะทําก็ทํำด้วยความจําเป็นบังคับและสมรรถภาพในการทํางานก็ไม่ค่อยมีความคิดริเริ่มก็ไม่ค่อยมี ทำงานสักแต่ว่าพอให้เสร็จไปวันหนึ่งวันหนึ่งทั้งหมดที่ว่านี้ก็เป็นผลมาจากความกดดันในเรื่องกามาฉันทะคนที่เข้าสมาธิไม่ได้เจริญวิปัสสนาไม่ได้คือนั่งทีไรใจไม่สงบมักจะง่วงนอนละฟุงซ่านก็เพราะความกดดันในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติต่อกามาฉันทะ ควรจะต้องทำด้วยความรอบคอบไม่เช่นนั้นจะไม่เกิดผลดีอะไรเลยมีแต่จะเกิดความเสียหายสุภาัญญาหรือกามาฉันทะคือแรงงานของชีวิตกิเลสตัวนี้จำเป็นจะต้องรู้จักนำออกมาใช้ในทางที่เป็นประโยชน์แม้ในการปฏิบัติเพื่อการละ ก, กิเลสก็ต้องอาศัยกามาฉันทะเหมือนกัน คนที่ไม่อยู่ในฐานะที่จะละ ก, กิเลสอันนี้ได้จริงๆแต่ก็ไปพยายามที่จะกดมันไว้ไม่ให้มันเกิดไม่ปฏิบัติตามความต้องการของกิเลสอันนี้ผลที่เกิดก็คือแทนที่จะละ ก, กิเลสอันนี้ได้ก็กลายเป็นความกดดันซึ่งหมายถึงกิเลสอันนี้สะสมมากขึ้นในสันดานเพราะฉะนั้นทางที่ดี ทั้งที่เรารู้อยู่ว่ากิเลสอันนี้มีโทษมากแต่เพราะเหตุที่มันก็มีคุณมากและเป็นกิเลสที่จะละในทันทีไม่ได้ต้องค่อยเป็นค่อยไปฉะนั้นจึงจําเป็นจะต้องปฏิบัติด้วยความรอบครอบและอย่าลืมว่ากิเลสอันนี้จะละได้ก็ต่อเมื่อมีสิ่งชดเชยที่มีคุณค่าเหนือกว่า การลา ก, กิเลสอันนี้ไม่อาจจะทำได้ด้วยการใช้เหตุผลตัวอย่างที่ง่ายๆเช่นเมื่อคนที่กำลังหิวและอยากจะรับประทานอาหารอย่างหนึ่งซึ่งเขานึกเอาไว้แล้วอยู่ในใจแต่อาหารที่ว่านี้ขนาดนี้ยังไม่มีและความหิวก็ยังคงมีอยู่ในกรณีอย่างนี้เราจะที่บายให้เขาเห็นว่า อาหารที่เขาต้องการจะกินนั้นไม่ดีไม่ควรไม่เหมาะอย่างนั้นอย่างนี้ถึงแม้การอธิบายนั้นจะมีเหตุผลอย่างสมบูรณ์แต่แล้วก็จะพบว่ามันจะช่วยอะไรไม่ได้เลยในเมื่อคนนั้นยังหิวอยู่ความอยากที่จะรับประทานอาหารที่เขาต้องการนั้นจะต้องมีอยู่และในเมื่อเขาเสนอความต้องการไม่ได้ความกดดันก็จะเกิดขึ้น แต่ถ้าหากเราใช้วิธีชดเชยกล่าวคือเมื่อเขาหิวเราก็หาอาหารอย่างอื่นให้เขารับประทานถึงแม้อาหารที่เขารับประทานนั้นจะไม่ตรงกับความต้องการแต่ในเมื่ออาหารนั้นเขารับประทานได้มีความอร่อยเหมือนกันและเมื่อรับประทานจนอิ่มแล้วในช่วงขณะที่เขายังอิ่มอยู่ ความอยากจะรับประทานอาหารที่เขาต้องการนั้นก็ระ ง, งับไปได้หรือบางทีอาจจะเลือกล้มความคิดในเรื่องนั้นไปเลยก็ได้นี่คือตัวอย่างเปรียบเทียบที่เห็นได้ง่ายและจงสังเกตว่าในเมื่อคนนั้นกำลังหิวแล้วไม่ได้รับประทานอาหารเขาจะสามารถทำอย่างอื่นได้หรือไม่ในทำนองเดียวกันคนที่มีความกดดันในเรื่องกามฉันทะ เพราะไม่มีโอกาสได้สนองความต้องการหรือได้แต่ไม่ถูกใจการสมความปรารถนายังไม่มีซึ่งถ้าหากภาวะอันนี้เกิดขึ้นบ่อยๆนี่บาคของความไม่สมหวังก็จะสะสมมากขึ้นในสันดานในที่สุดเขาก็จะกลายเป็นคนที่เบื่อหน่ายท้อถอยต่อการงานไม่มีกำลังใจจะต่อสู้กับอุปสรรคแม้เพียงเด็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้น ไม่จำเป็นจะต้องพูดถึงว่าเขาจะมีความคิดริเริ่มหรือความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงการงานให้ดีขึ้นสุภาสัญญาเป็นเหตุให้เกิดการมาฉันทะจุดนี้พยายามพิจารณาให้ซึ่งและจงพิจารณาถึงการดำเนินชีวิตของคนในอาชีพต่างๆจากแง่นี้ด้วยแล้วเราจะมองเห็นชัดว่า สุภาสัญญาซึ่งมีอยู่เสมอในจิตใจของกูฏชนเกือบจะทุกขณะจิตอันนี้คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนเรามีเรี่ยวแรงมีกำลังใจในการทำงานซึ่งถ้าหากคนไหนได้รับผลสมความปรารถนาในสิ่งที่ตัวเองพอใจอยู่เสมอเขาก็จะสดชื่นข้อเท็จจริงอันนี้เห็นได้ชัดมากเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีความฉลาด รู้จักปรับปรุงกิเลสตัวนี้และรู้จักนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ข้าพเจ้าเคยบวชเป็นพระมาหลายพรรษาเคยเป็นพระนักเทศที่มีชื่อเสียงเคยครุครีอยู่กับงานในวงการคณะสงฆ์ข้าพเจ้าสังเกตเห็นได้ชัดจากตัวเองและจากพระองค์อื่นเช่นในเวลาเทศหรือในเวลามีงานทางศาสนาถ้าหากผู้ที่เข้ามาฟังเทศ หรือผู้ที่เข้ามาร่วมงานมีแต่คนแก่คนหนุ่มหนุ่มสาวสาวไม่ค่อยมีกําลังใจในการเทศหรือในการทํางานก็จะผิดไปจากในเวลาที่มีคนหนุ่มคนสาวเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ในวงงานนั้นๆแม้ในฝ่ายคาวาะก็เหมือนกันถ้าหากได้ทําบุญกับพระที่ยังอยู่ในวัยหนุ่มรูปร่างหน้าตาดีเสียงเพราะกําลังใจของทายกทายิกาก็จะสดชื่น มีศรัทธามากถ้าได้ทาบุญกับพระที่มีอายุมากและเป็นพระที่น่าเคารพน่าเลื่อมใสสมกับพระจริงๆศรัทธาของชาวบ้านก็มีมากแต่ถ้าหาพระที่น่าเคารพน่าเลื่อมใสนี้อยู่ในวัยหนุม่มศรัทธาของชาวบ้านโดยเฉพาะของผู้ที่เป็นอุบาสิกาจะมีมากขึ้นเป็นพิเศษเรื่องอย่างนี้ก็เห็นได้ชัดว่า สุภาษสัญญามีส่วนสำคัญที่ช่วยคนเรามีกําลังใจเป็นกุศลเนคขมะเป็นเครื่องออกจากกรมฉันทะถึงแม้หลักอันนี้จะเป็นความจริงอย่างยิ่งแต่เราก็จะพบว่าคนที่มีจิตใจไม่ถึงคือยังไม่คิดที่จะสละโลกสละกิเลสจริงๆยังมีความต้องการเหมือนกับคนในโลกพระที่ยังมีจิตใจอยู่ในระดับนี้ ถ้าหากการบวชของท่านเป็นเพียงชั่วคราวไม่นานเกินไปความกดดันยังไม่มีเพราะยังมีหวังที่จะไปใช้ชีวิตในทางโลกได้ตามความพอใจแต่เท่าที่มาบวชนั้นก็พร่อมีความเลื่อมใสตั้งใจบวชจริงๆพระประเภทนี้จะไม่มีความกดดันและในเมื่อสนใจในทางสมาธิและวิปัสสนาก็มักจะฝึกสมาธิได้จเจริญวิปัสสนาได้ แต่ถึงกระนั้นถ้าหากอยู่นานเกินไปและผลในทางสมาธิและวิปัสสนาไม่สูงพอและการเรียกร้องจากกามาฉันทะคอยเตือนอยู่เสมอระงับไม่ได้ซึ่งถ้าหากเป็นอย่างนี้ บ, บ่อยๆและบวชอยู่นานความกดดันก็จะต้องเกิดขึ้นเว้นไว้แต่จะหาทางออกโดยวิธีที่ถูกต้องเช่นสนใจพยายามศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ หรือทำงานที่เป็นประโยชน์ซึ่งทำให้ตัวเองมีความสบายใจอยู่เสมออันนี้ก็จะช่วยบรรเทาความกดดันลงไปได้บ้างแต่ถึงกระนั้นถ้าหากเข้าสมาธิไม่ได้จเจริญมิปั ส, สนาไม่ได้คือนั่งทีไรใจไม่สงบความแจ่มใสาจากภายในไม่มีถ้าหากเป็นอย่างนี้ก็ช่วยอะไรไม่ได้ความกดดันจะต้องมีมากขึ้นโดยลาดับ และในที่สุดในเมื่อไม่กล้าศึกเพราะยังหาโอกาสไม่เหมาะหรือเพราะยังไม่เห็นช่องทางที่จะไปประกอบอาชีพได้ดีหรือเพราะได้ปฏิญาณไว้ว่าจะไม่ศึกหรือเพราะอะไรก็ตามการบวชอยู่ในลักษณะเช่นนี้ไม่เกิดประโยชน์ในด้านจิตใจข้อสังเกตอันนี้ก็ควรจะพยายามมองและพิจารณาให้ซึ้งส่วนผู้ที่อยู่เป็นคารวะ ซึ่งมีโอกาสที่จะสนองความต้องการของกามาฉันทะได้นานถ้าหากเป็นคนที่เข้าใจเรื่องชีวิตและดําเนินชีวิตให้ถูกทางโดยเฉพาะไม่วุ่งแต่สแสวงหาเงินสแสวงหาชื่อเสียงสแสวงหาความสนุกเพลิดเพลินจนเกินไปรู้จักใช้เวลามาศึกษาธรรมและฝึกฝนในทางสมาธิและวิปัสสนาบ้าง ถ้าหากตัวเองเริ่มนั่งสมาธิได้เจริญวิปัสนาได้แม้จะเป็นเพียงชั่วขณะแต่ก็ทําอยู่เสมอทุกๆุกวันบุคคลประเภทนี้จิตใจจะก้าวหน้ามากกว่านักบวช ท, ที่มีความกดดันซึ่งหมายความว่าจิตใจของเขาก็จะค่อยๆสูงขึ้นภูมิธรรมต่างๆจะค่อยๆเจริญขึ้นความสบายใจในชีวิตประจําวันก็จะมีมากขึ้น และตัวกามาฉันทะก็จะค่อยๆน้อยลงซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าขรวาดที่ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องและมีการปฏิบัติในทางสมาธิและวิปัสสนาด้วยนั้นในใจจะมีความเยือกเย็นมากขึ้นซึ่งหมายความว่าแม้ตัวเองจะอยู่ในถ่ำกลางสิ่งยั่วเยาใกล้ชิดกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าพึงพอใจ แต่แล้วก็จะพบว่าบุคคลประเภทนี้ควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นกิเลสไม่เกิดง่ายหรือพูดอีกนายหนึ่งว่าไม่ไวไฟซึ่งผิดกับนักบวชที่มีความกดดันใกล้ชิดกับอารมย์ยั่วยา่วไม่ได้ก็จะควบคุมตัวเองไม่ได้จากข้อเท็จจริงอันนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าคารวาสก็มีโอกาสที่จะละ ก, กิเลสได้ดีไม่แพ้นักบวช แต่แน่ละถ้าหากนักบวชองค์ใดพื้นฐานจิตใจสูงประพฤติธรรมวินัยด้วยความเลื่อมใสศรัทธาจริงๆและจุดมุ่งหมายก็เพื่อต้องการละกิเลสความกดดันในทางโลกมีน้อยเพราะอิ่มตัวมาแล้วและเข้าใจเรื่องโลกเป็นอย่างดีสำหรับนักบวชประเภทนี้ย่อมโอกาสที่จะละกิเลสได้ดีกว่าฆรวาดหลายเท่า อย่างชนิดที่เรียกว่าคารวาสไม่มีโอกาสที่จะติดตามได้ทันแต่อย่างไรก็ดีคาวาสบางคนเพราะเหตุที่ในอดีตชาติเคยเป็นนักบวชเคยปฏิบัติในทางสมาธิและวิปัสสนามามากและได้บรรลุถึงธรรมขั้นสูงมาแล้วแต่ยังไม่ถึงขั้นอริยบุคคลสำหรับคาวาสที่มีบา ร, รมีมาอย่างนี้ แม้จะมีชีวิตคลุกคลีอยู่กับกิเลสซึ่งในระยะหนึ่งเราอาจจะเห็นว่าเขาเป็นคนมีกิเลสหนาหมกมุ่นอยู่แต่ในเรื่องความสนุกเพลิดเพลินต่างๆแต่ถึงกระนั้นถ้าหากมีผู้มาแนะนำอย่างถูกต้องหรือจิตใจของเขาเริ่มอิ่มตัวในทางโลกแล้วเขาก็จะกลายเป็นคนละ ก, กิเลสได้ง่ายนั่งสมาธิจเจริญมิปัสนาได้ดี แม้จะใช้เวลาเพียงไม่นานเท่าไร่ตัวอย่างเช่นนี้เคยมีมากในสมัยครั้งพุทธกาลเพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจว่าคราวาสก็อยู่ในฐานะที่จะละกิเลสอันดีได้โดยไม่ต้องไปบวชอย่าลืมว่าเนคขมมะซึ่งแปลว่าอุบายเป็นเครื่องออกจากกามนั้นในความหมายที่แท้จริงหมายถึงสมาธิและวิปัสสนา และหมายถึงมรรคผลและนิพพานหรือพูดอีกในหนึ่งเนคขมมะซึ่งแปลว่าการบวชการบวชในความหมายที่แท้จริงหมายถึงการปลีกตัวออกจากกามและคนเราจะปลีกตัวออกจากกามได้จริงๆก็เฉพาะในเวลาเข้าสมาธิได้คือในขณะที่จิตสงบจากนิวรณ์ทั้งห้ามีปีติและสุขเกิดขึ้นในใจเท่านั้น เพราะฉะนั้นในเมื่อเราเป็นคารวะแต่สามารถนั่งสมาธิได้เจริญวิปัสนาได้ในตอนที่เรานั่งได้นี่แหละที่เรียกว่าเราบวชคือมีแนคข ม, มะอย่าลืมว่ากามฉันทะจะละได้ก็ต่อเมื่อมีสิ่งชดเชยความสุขในเรื่องการมีอย่างไรคารวะย่อมรู้ดีและรู้สึกพอใจและจะติดใจมากเพราะฉะนั้น การใช้เหตุผลจึงไม่อาจทำให้ละกามฉันทะได้เพราะในขณะที่ใช้เหตุผลตัวกามฉันทะก็จะเข้าแทรกซึมทำให้เหตุผลไม่บริสุทธิ์กลายเป็นเหตุผลที่เข้าข้างกิเลสเพราะโดยปกติปุตุชนโดยทั่วไปก็อยู่กับเหตุผลที่หลอกตัวเองอยู่แล้วซึ่งเป็นเหตุผลที่เข้าข้างกิเลสอยู่ตลอดเวลาแต่ในขณะใดที่เราเข้าสมาธิได้ จิตสงบจากนิวรณ์ปีติและสุขที่เกิดขึ้นในขณะที่จิตสงบนี่แหละคือสิ่งชดเชยและเมื่อคนไหนเข้าสมาธิได้เสมอสิ่งชดเชยคือวิบากของปีติและสุขก็จะมากขึ้นโดยลําดับซึ่งทําให้เข้าสมาธิง่ายขึ้นและพร้อมกันนี้ก็จะเห็นโทษของกิเลสเห็นคุณของการออกจากกิเลสลึกซึ้งขึ้นโดยลําดับและในที่สุด ในเมื่อจิตตกถึงกระแสนิพพานได้พบกับความสงบอันประนีตซึ่งเกิดจากการละสกายทิฏฐิได้โดยเด็ดขาดกามาฉันทะในขั้นหยาบหยาบคือในขั้นที่จะนำไปสู่อวัยภูมก็จะละได้โดยเด็ดขาดแม้กามาฉันทะในขั้นประนีตที่ยังเหลืออยู่นั้นในที่สุดก็จะละได้หมดไม่มีเหลือด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่า เนคขมมะเป็นเครื่องออกจากกรมฉันทะ